การระงับอธิกรณ์สี่ด้วยสมถะเจ็ดหนึ่งวิวัฒนาธิกรณ์ใช้วิวัฒาธิกรณ์คลอกกับเมติกินครับคล้องกับเรื่องทเรื่องวินัยใช้สมถะสองอย่างคือสัมุขาวินัยใช่ไหมสัมุขาวินัยนี้ระงับได้หมดทุกอย่างนะครับเพราะว่าพร้อมหน้าสองใช่ไหมพร้อมหน้าสองพร้อมหน้าทำพร้อมหน้าวินัยคนละบุคคลนะคะอันนี้ระงับได้ทุกอย่างเลย เยฟุเยสิการสายเสียงข้างมากนะครับโดยการทะเลาะวิว า, าเรื่องธรรเรื่องวนินะัยนะอันนี้สามันจนะหยุเยฟูเยสิกาไดนะครับตามสมกวรแต่ถ้าบอกว่าเยฟุเยสิกาเนี่ยมีการจับสลากที่ว่าใช่ไหมถ้าระบุว่าในบริษัท น, นั้นนะในท่ากราง น, นะครับมีอรารัชชีมากถ้าพู้อรารัชฉิมากถ้าให้ทําการจับสลากแบบปอกปิดจับสลากแบบปกปิดคือยังไงก็ให้ท่าเจ้าหน้าที่ดีบริกรจับสลานะครับ ไปบอกแบบพิสุแต่ละลูกแต่ละลูกแต่ละลูกนะครับค่ไล่บอกแต่ละลูกแต่ละลูกนะนะครับเป็นการปกปิดว่านี้สลากของผู้มีความเห็นอย่างนี้นี้สลากของพิสุจน์มีความเห็นอย่างนี้นะครับไม่เปิดเผยไม่ประกาศสงแจ้งอะไรนะไล่บอกลูกเดือดลูกไปนีพราะว่าราชีมากต้องทําอย่างนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าพิสุรา์ละชีมีมากพิสูจ์ที่มีสีเป็นพิลั่นมีความอายหนักมากนะ อันนี้ให้จับสลากแบบเปิดเผยไปเลยก็คือประกาศออกไปในทะ่ากลางสองในอย่างจงแจ้งไปเลยนะครับว่าสนากไหนเป็นของฝ่ายไหนของผู้มีความเห็นยังไงนะครับสลากสีนี้นะของฝ่ายที่มีความหอย่างนี้สีนี้ของฝ่ายนี้นะประกาศไปจงแจ้งไปเลยเพราะว่าร่างชีจะมีมากอยู่แล้วไม่ต้องกลัว แต่ว่าไปบอกแก่ไปสู่แต่ลูกแต่ละลูกนะเป็นการปกิดไปบอกแต่ละลูกนั้นนะยังไงอาจจะอเราว่าการทบัญนะว่าลามาเป็นโคพานกปไปบอกแต่ละออกเปนังไงผลัพธออกมาคนพานไม่ต้องเลือกคานแล้วผลลัพธจะออกมาให้ปกปิดเป็นธรรมเนี่ยยว่ามันต้องมีอะไรท่อยู่ตรงนั้นอีกือเปล่าคือไม่แน่เราชี้แจงผมได้ข้อความนะบางคนค้าแตยอมตางได เดี๋ยวลองดูตรงนี้เทียบหน่อยไหครับท่านก็บอกแค่นี้นะรัว่าอะไรนะในบริษัท น, นะครับที่นหะแน่นด้วยพวกอาชีพืึงทำการจับสละอย่างปกติบอกแค่นี้นะ <c oughs> นนะซึ่งตอนแรกก็พูดมาก่อนแล้วง่ายนิดหนึ่งนะ บอกว่าสีนี้ของคนนี้สีนี้ของคเนี้ยแน่นอนต้เลือกพวกใครพวกมันแต่ว่าถ้าเราประเด็นไม่พูดถึงบุคคลว่าบุคคลเนี่ยทําแบบนี้แต่เพื่เรื่องหรือในเรื่องนี้สีนี้เรื่องนี้สีนี้เนี่ยความที่มันเป็นบุคคลจะไม่นัดเดียนขึ้นมาเนี่ยความเป็นธรรมได้เสมอนะคะแต่แม่ก็พูดถึงนะว่าสีนี้ของผู้มีความเห็นอย่างอี้แต่ไม่ได้บอกบุคคลไม่ได้บอกว่าใครใช่ไหมใช่ใช่ใช่หน้าหลายใช่ใช่ ถ้าว่าใช้สาวเนี่ยนะนี้สลาของผู้มีความเห็นนี้นี้สลาของผู้สุกผู้มีความเห็นอย่างนี้ก็บอกไปขณะว่าถ้าผ้าเิลานะไปจับสล า, าทำมาบารีเนี่ยก็ยังบอกไนะ้โอ้สระนี้ไม่สมควรแก่ท่านนะก็บอกหน้าชี้แจงได้นะ <c oughs> ขอนี้เดี๋ยวก็เปิดป้ายนะเยปุยสิกานะ <c oughs> อาศัยเสียงข้างมากวิธีจับสลากสามวิธี <c oughs> ท่านก็บอกว่าเนี่ยพิสุขเพื่อนจับสลากนั้นพึงทำสลากให้มีสีและไม่มีสีอ๋อแค่สองสีแบบมมีสีก็ไม่มีสี <c oughs> แล้วเข้าไปหาพิสุขทีละลูกทีละลูกยังไงแล้วแนะนําอย่างนี้ว่านี้สลากของผู้กล่าวอย่างนี้ นี้สระของผู้กลอย่างนี้ท่านจงจับสนับที่ชอบใจนะครับเมื่อพิสูจน์นั้นจับสับจับแล้วพึงแนะนาว่าท่านอย่าแสดงแก่ใครครอย่าพ่ไปบอกใครนะเอาไว้ก่อนตรงนี้ถ้ารู้ว่าอรรมวาดีมากกว่าพึงบอกว่าสนับจับจับไม่ดีและให้จับใหม่จับใหม่กันนะนะครับควรจะสามครั้งนะเหมือนกับว่า แต่่าคงเป็นความรักด้วยว่าจะเองเรืองสีไหนด้วยใช่ๆช่ความรักด้วยไม่ให้จะเปน่ายใช่ใช่ช่ดิยนถ้ารู้ว่าธรรมวาทีมากกว่าพึงประกาศว่าสละจับดีแล้วดูความท่ท้งหลายวิธีจับสนามปกปิดเป็นอย่างนี้แหละต้องเรียกเขา่จะอยู่ในเตรงนี้มันยังมองถึนเกม่ะก็ต้องซื้อตรงนีปกปิดต้องปกิด อันนี้แบบแบบกระซิปอีกแบบอีกอย่างนะท่านบอกว่าถ้าผูสูงผู้ผานมากผู้อันสะพานเยอะเนี่ยทํานี่ต้องจับสนากแบบกระซิบบอกที่หีนะเข้าไปหาแต่ละรูปก็ยังไม่ได้นะประกาศก็ไม่ได้ถ้าว่าซิบแบบส่วนตัวจริงแลยอนี้ผู้สูงควรจับสานานกนั้นส่วนกระซิบบอกที่ใกล้หีขอผู้สูงแต่ละรูปแต่ละรูปว่านีกษณะของผู้กล่าว อ, อย่างนี้นีกษณะของผู้กล่าวอย่างนี้ ท่านจงจับสลากที่ชอบใจนะครับเมือ่อไปสูจนั้นจับแล้วคุณแนะนําว่าท่านอย่าบอกใครเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับคำที่บัญญัติเือก็เหนะมือนกันใชมแบนี้ก็อันตรายอยู่แนค่ครับถ้าเกิดพวกอาธรรมวาที่เขาก็รูท้ทำเนี่ยรับเรายเข้ามันเองไม่ค่อยมีอยู่แล้วครับอสมัย <c oughs> นี้ทาก็ไม่ยากอยู่แลนะ้วอ่ายาก น, นครับถ้าไปวันอะไรที่เราเป็นงกันี้่า้นี้ไปทําเลย อยู่ยากนะยือยู่ไม่ได้เลยนะครับลำบากเลยแล้วก็ต้องหาหมือนกลุ่มที่ประพนตาทำวินยัยก็เป็นะดปกรณ์อันนี้ต่อไปนะครับนี่นะวิธากฎก็จำเป็นสองอย่างสามุขามวินัยแล้ก็เย็บเย็บศี ก, กานะครับสองอนุวธาธิกอรมีการโจดฟ้องร้องเรื่องอาบัตเกิดขึ้นใช้สมถะสี่อย่าคือสมุขามวินัยใช่ไหมเนี่ยพร้อมหน้านั้นทั้งหมดเลยสติวินัยที่ให้แก่ผ้าละหัน ที่ถูโจดใช่ไหมใช้ท่นนานพงลมปากอาบุญหาวินัยที่ให้แก่ผู้สุขผู้เป็นบ้าแล้วก็หายบ้าแ ล, แล้วก็โดนโจดและตัดสับปาเสียงส ก, กาอะไรให้แก่ผู้สุขผู้ชั่วช้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้ความกลับไปกลับมานะครับเปจะเป็นปราชิกหรือว่าเสฉียบปราชิกนะรูปนั้นนะครับอันนี้ก็ใช้ <c oughs> อ่น า, าอนุโมทหกกอะครับสี่อย่างเนี่หนะ้าตามสมควร ก็เนื่อเกี่ยวกับการโจมเลยใช่ไหมโจมพระหัสนะครับโจมพิสุบ้านโจมพิสุที่ชั่วช้านะฮิเกี่ยวกับอนุปัฏฐกิกรับต่อไปสามอาปัติกรมีการต้อมาเกิดขึ้นเนี่ยใช้สมถะสามอย่างคือสัมุขาวินัยนะครับเพราะเวลาปองอาบันเนี่ยไปไปปองประสงก็ได้ครับถ้าไม่อยากจะปองกับผ้ารุ่เดียวนะค่ายปองประสงก็ได้ ผมขออนุมทนาสีรูปผมต้องการประงาณประกอบสงนะจะทาแบบพิศนาหรือว่าทาแบบตามแบบนะแต่ว่าถ้าผมมีตั้งสามอย่างใช่ไมประกสงก็ได้คณะบุคคลก็ได้ผมอยากจะปองกอบสงนะก็ได้นะผิดอะนะแต่ว่าารที่ประกสงก็ต้องเข้าไปในสีมา เขาเป็นในสีใหม่ต่างหานะเพรอยต้องมีการตั้งยตินะครับรับอาบัตนะถ้ามีการตั้งยติรับอาบันนะาา ต, ตบบจะยุ่งยากหลายขั้นตอนอยู่นะแต่ว่ามันเป็นได้ในกรณีที่เกี่ยวกับการสละของไงเกิดท่านไปรับมัถุมิจฉุกเฉลียวอะไรนั้งเงินทองมาใช่ไหมไอ้ท่านก็ต้องการปรองอาบัติท่ามกลางงนี้นะมันก็มีได้กรณีไปไปสระท่ามกลางสงฆ์นะงงงงใช่ไหมแล้วก็จะปองอาบัีิที่นั่นเลย มันน่าไม่สะดวกแล้วเหมือนจะที่เราทารรับอาบัเนี่ยที่ท่านไปเชิญนะท่านต้องอาัเลย่านก็ว่าโอ้โหทไม้อเสนไม่นี่จะต้องงาแขอให้มามันก็แล้วแต่ว่าเราเราไม่รับก็ได้เราบอกเราไม่สะดวกบางครั้งมัไม่ได้แบบนี้นะต่อไปสามอาปตติกร อ, อันนี้ใช้สมมติฐานสามอย่างคือสมาบวินยัยปฏิญญาต่างการณนะก็โปร่งกันแต่ละรูปแต่ลรูปไปได้ทำตามปฏิญญา แรกสี่หน้ามัธยลากะที่ว่าโกรไว้ด้วยย่านะครับเกิดท่องที่บ้านนะสองหอสองฝ่าใช่ไหมแล้วก็ละอายใจนะครับอันนี้โกรธไว้ด้วยย่าตามสมควรสี่กิจจคือก่อนมีอะไรเนี่เรื่องราวมีอะไรนะครับกิจที่สองต้องทําเกิดขึ้นได้แก่กรรสี่อย่างเองอันนี้ใช้สมถะได้อย่างเดียวคือสมุขฐานวิ น, นัยต้องพ้องหน้าอย่างเดียวจบนะครับคํานิคมทั้งหลาย นิทานขป้าเจ้าได้แสดงแล้วอารบปาชิสีสิบขาบทข้าเจ้าได้แสดงแล้วอารบสังคาทิเศษสิบสามสิบขาบทข้าพเจ้าได้แสดงแล้วอานิยตสิขาบทอานิยตาสิขาบทสองสิขาบทข้าพเจ้าได้แสดงแล้วอารบนิสิกียาปาจิตตีสามสิบสิขาบทข้าพเจ้าได้แสดงแล้ว อาบัตปาติเตกั๊งสองสิกขาบทข้าพเจ้าได้แสดงแล้วอาบัตปาติเทสนิยะสี่สิขาบทข้าพเจ้าได้แสดงแล้วเสกียาสิกขาบทข้าพเจ้าได้แสดงแล้วทำสำหรับะระงับอธิกรเจ็อย่างข้าพเจ้าได้แสดงแล้วพิขุปปาติโม ข, ของพระผู้มีพระภาคที่มาในพรสูตร นับเข้าในพระสูตรมีเพียงเท่านี้ย่อมถึงซึ่งการส่วนโดยหัวข้อทุกๆกึ่งเดือนพวกเราทั้งหมดนี้พึงเป็นผู้พร้อมเพียงกันยินดีร่วมกันไม่วิวา ก, กันศึกษาปฏิบัติตามในพระปฏิโมกนั้นฉนิแลวิธารุแทสจบพิขุปาติโมกจบ ในการขายนี่ไม่ได้อ่านนะครับย์แต่ความจริงในการขานื้วฟางก็เหมือนกันนะครับแต่มันจะเสริมให้นะอสองข้อนะครับเสริมอองข้อเกียรติกรที่จะมีคําอธิบายเยอะหน่อยนะครับเกี่ยรติกเรื่องอะไรนะดูหน่อยะครับเพราะว่นี่ยอุปภัยการวิธีนะครับมีการและงานเกรติกรโดยการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาไม่ได้ใช้ก็มีนะ อันนี้แบบนะครับท่านบอกว่า อ, อ๋อวิวัฒนทิกรหรือผู้วิวัฒนทิกรเต็มๆให้ฟังเลยวิวัฒนธิกรเ น, นี่ยมีการเลอากับเรื่องทำเรื่องวินัยแล้วเงาะด้วยสมถะสองอย่างเมื่อกี้อะไรนะครับมีการเลอบกับเรื่องทำเรื่องวินัยเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเงาะด้วยสมถะได้สองอย่างคือสมุขฐานวินัยแล้วก็เยฟุยสิกายนะเราใส่เสียงข้างมากนะ นะครับบางทีพิพากษาธิกร น, นะครับอันนี้มานี่เลยนะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็พิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ย่อวิว่ากันว่านี้เป็นธรรมนี้ไม่เป็นธนะรรม <N> นี้เป็นวินยัยนี้ไม่เป็นวินยัยนี้พระธรามข้อเจ้าตัดผ่าสิทธไว้นี้พระธรามข้อเจ้าไม่ได้ตัดผ่าสิทธไว้นี้พระธรามข้อเจ้าท่งประพฤตมานี้พระธรรมข้เจ้าไม่ได้สง่งประพฤตมานี้พระธรามข้อเจ้าทรงบัญญัติไว้ นี้พระธรรมก็เจ้าไม่ได้ส่งบัญญัติไว้นี้เป็นอาาบัต์นี้ไม่เป็นอาบัต์นี้เป็นอาบัต์เบานี้เป็นอาหารบัต์หนักนะครับนี้เป็นอาบัต์มีส่วนเหลือนี้เป็นอาบัต์ไม่มีส่วนเหลืออาบัต์หนักก็หมายถึงปลาชิกกับสังฆาติเศษยาบันหนักอาบัต์ที่เหลือตั้งแต่ถึงละใยลงมาก็เป็นอาบัต์เบานะครับอาบัต์มีส่วนเหลือก็เหมือนกันปลาอินหลันมีส่วนเหลือก็ตั้งแต่สังฆาติเศษลงมาใช่ไหมครับไม่มีส่วนเหลือก็คือปลาชิกนะครับ อันนี้เป็นนาบัติชั่วอย่าง น, นี้เป็นนาบัติไม่ชั่วอย่างนะครับข้อแปดอย่างนะคับก้าเก้ข้อเก้าข้อแต่ท่านแต่ได้เป็นแต่ได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็นสิบแปนะครับพราะว่าจะแต่งมีสิบปดก็คือแสดงคําว่าไม่ใช่ทำแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ทาว่าเป็นทำคือแต่ละข้ออย่างนี้ได้เป็นสองนะครับทีนี้นะครับเมื่อเกิดเรื่องร้ายจะทํายังไง ดูก่อนิสูจทั้งหลายหากที่สุพวกนั้นนะก็ประชุมสงฆ์มารง่าปทิกรกันนะครับสามมังง่าปทิกรนั้นไ้ท hmm. yes. ่านทางสงเลยอันนี้นะครับปทิกรก็ถือว่าระงอมแล้วด้วยสมคบวินัยนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายนะครับถ้าบอกว่าถ้าอทิกรเนี่ยระงับแล้วนะหากปิกรระงับอย่างนี้พูดทำหรือฟื้นหรือฟื้นผู้ทําใหม่เป็นไปตีที่ลื้อฟื้นผู้ให้ฉันท์ท้าเพื่อกรรมติเตรียมภายหลัง ก็ต้องบอก ป, ปาจิตดีๆๆที่ติเตียนนะครับไม่ได้พอถือระนาบดีแล้วนะครับผู้ทรงตัต่อว่าดูก่อนวิสุทธ์งหลายถ้าวิสุท์เหล่านั้นไม่สามารถระนับอธิกรในอาวาสนั้นได้โอ้ในว่านี่คุยกันไม่ลงเลยนะครับสองระนาบไม่ได้เลยแสดงว่ามันจะธรรมดาน่ะ <c oughs> ก็เลยพากันไปนะครับอาจจะไปหาภาพวินัยทอนนะกูบาทจาร์ที่เขาเขาเชื่อถือนะก็เลยพากันไปพวเธอคุณไปสู่อาวาสที่มีวิสุทมากกว่า หากพวกเธอกำลังไปสู <t ap ii> ่อาว่านั้นสามารถรับบัตรที่กรในระหว่างทางครับเกิดตกลงประชุมไปนระหว่างทางที่นั่นไปยังไม่ถึงที่เลยแล้วก็ระงงับบัตรกรได้นะครับอันนี้ก็ชื่อว่าระงับด้วยสมคาวินัยเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมนะพอหรือกฟื้นใหม่ไม่ได้หรือกฟื้นก็ต้องไปอีกให้เสินท้าไปได้บันติตรีเราก็ต้องไปอีกีนะครับท่บอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าพิสูจน์เหล่านั้นกำลังไปสู่อาว่านั้นไม่สามารถรับบัตรทีกรนั้นในระหว่างทางได้ พวกเธอไปถึงอาว่านั้นแล้วเพิ่งกล่าวกับพิสุทธเจ้าถิ่นว่าท่านลายอธิกรณ์นี้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้บังเกิดแล้อย่างนี้ก็แจ้งเรื่องฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอื่ขออกาสท่านลายจนระ ง, งบับอธิกรณ์นี้โดยทําโดยวิ น, นัยและโดยสัตุสาสตร์ตามวิธีทางที่อธิกรณ์นี้จะเพลิน ง, งับด้วยดีนะครับพระพิสุทเจ้าพิสุทธิเจ้าถิ่นนะก็ต้องรอบคอบนะบในการที่จะ ปรึกษาก่อนว่าเราจะรับอธิกรณ์นี้ดีหรือไม่รับดีนะครับต้องปรึกษากันก่อนนะพอเขาแจงเมื่อเราสาราบแล้วใช่ไหมทีนี้ผมว่าพิสูจเจ้าถิ่นนะครับถ้าว่าเป็นผู้แก่กว่าก็ควรบอกพวกอางคตุกะว่าท่าั้นหลายขอที่มันท่านั้นหลา ย, างลายจงรวมไปอยู่หน้าที่ส่วนส่วนข้างหนะึ่งให้เราอยู่คู่หนึ่งนะพวกผมจะไปปรึกษาอันก่อนนะครับว่ามีกําลังที่จะจะรงับอะไรได้ครับ ท่านผู้แก่กว่านะครับก็บอกว่าพวกท่านนะครับอท่านนาห่าท่านจี่นั้นของท่านานาห่าจะอยู่นั่นที่นี้สักครู่หนึ่งจนกว่าพวกขพระเจ้าจะปรึกษากันนะครับถ้าว่ากำลังปรึกษากันอยู่นะแล้วก็ตกลงกันได้นะครับว่าพวกเราไม่สามารถรับอธแบบิกรณ์ น, นี้โดยทําโดยวินยัยโดยสตูสานะครับโอ้ร้ายกามาก <c oughs> หรือว่ามันยากนะมีแงีงอะไรเยอะนะครับจะว่าฟังอหไผิดฟัายะไรถูกนะ ดูพลังของตนนนั้ไม่สา ม, มารถมั่งมั่งได้นะครับก็ไม่ต้องรับนะครับไม่ควรรับอธิกรนั้นไว้นะแต่ว่าถ้าปราึกษากันแล้วนะครับคิดว่าพวกเราเนี่ยสา ม, มารถมับมั่งอธิกรนี้ได้โดยทําวยวินัยอยู่สันตุสันนะครับก็ให้ยังไม่้รับทีต้องรอกคล้องซะหน่อยนะครับก็ไปการกับพิสุทธิอัุตุกาที่มาหานะว่าเท่้งหลายข้าพระท่าน จ, ากจากักแจ้งอก่อนนี้ตามที่เกิดขึ้นแล้วตามที่อุบัตแล้วแก่พวกเรา เหมือนอย่างพวกเราจะระงับอธิกรณ์นี้โดยทําโดยวินัยและโดยศีลศักดิ์ฉันใดอธิกรณ์นี้จะระงับด้วยดีฉันนั้นอย่างนี้พวกเราจึงจะระกับอธิกรณ์นี้นะครับบอก็ต้องแจ้งเรื่องอะไรให้เขาทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็ยอมรับในการที่ให้เขาวินิจฉัยตางตามวินัยแต่งที่นะครับอี่ถึงจะรับนะ่รืม่งั้ไม่รับหรอกนะครับอื่หากพวกท่านจะไม่แจ้งอีิก่อนนี้ตามที่เกิดขึ้นแล้วตามที่อุ บ, บัติแล้วเกี่บพวกเรา เหมือนอย่างพวกเราจะระง้ออธิกรณ์นี้โดยทําโดยวินัยในสติสังข์สันไดอธิกรณ์นี้จะไม่ละง้อด้วยดีฉันนั้นพวกเราจะไม่ัะอธิกรณ์นี้นะครับก็ผู้แบบมีพ่อแม่นะทีนี้นะรัแม้ี่สุดอันนี้พิสุเจ้าถิ่นใช่ไหมคืงรอบค้อมอย่างนี้แล้วก็รับไว้นะครับแม้พิสุอาคันตุกะนะจะให้อธิกรณ์กับพิสุดพวกนี้นะครับก็ต้องรอบค้อมกันท่านบอกว่าเพิ่งแต่ละพวกพิสุเจ้าถิ่นว่า พวกข้าพเจ้าแจ่าแจ้งที่กร น, นี้ตามที่เกิดและตามที่บัตรและแก๊สมาหมายท่านละถ้าท่านเนี่ยสา ม, มารถละเงาที่กรณนนี้โดยทําโดวยวินยัยโดยศัตรสศารระหว่างเวลาเท่านี้ได้นะครับกรดเวลาให้เขาเลยนะถ้าเขาสา ม, มารถละเงาะได้ถูกต้องหน้าตาคําวินยนะัยในระยะเวลานี้ให้เวลาสามวันละเงาะให้ได้นะผมเนี่ยพวผมก็จะยอมมอบเหมือับ อดีตกรจะระ ง, งับไม่ดีเช่นว่าอย่างนี้พวกข้าพเจ้าก็จะมอบที่กรแก่ท่านหลายแต่ถ้าไม่สามารถระงับได้ในระยะเวลาเท่านี้นะก็จะไม่มอบให้ครับพวกผู้สื่อความปนกลางก็คุมรอบครอบอย่างนี้นะแล้วจึงมอบที่กรแก่พวกถึงสเจ้าถิ่นนะครับแล้วก็ถึงว่าอันนี้เข้าประชุมสมมงฆ์ทั้งหมดใช่ไหมถ้าว่าสามารถระงับได้ก็ชื่อว่าระ ง, งับไปสมุขาวินัยนะครับถ้าบอกต่อว่าถ้าไม่สามารถรงับได้นะ ดูก่อนไปสู่ทั้งหลายถ้าเมือ่อไปสู่เหล่านั้นวินิจฉัยอธิกรณ์ น, นั้นอยู่มีเสียเซนแซ่เกิดขึ้ น, นครับและไม่ทราบฟังเหมือนถ้อยคําที่กล่าแล้วนั้นนี่นะต่างฝ่ายก็ต่างว่ามีใครยอมใครนะครับพูดกันใหญ่เลยนะไม่ยอมว่าคนนั้นว่าอีคนนี้ว่าอย่างนั้นนะครับไม่ยอมฟังอักษรเลยนะไม่รู้ใครเป็นใครนะครับที่มาลําบากนล้วใช่ไหมนะครับเราอนุยาตให้ละ ง, อง้ออธิกรณ์เห็นปา น, นีด้ด้วยภัยกาวิธีวิธีการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มาเพื่อให้ระงับที่ก่อนลยครับพิสุผู้ก็ตให้กองคุณสิบประการสคุณสมมุติได้อยภายการวิธีนะครับตอนพิสุภูผู้มีคุณสมบัติด้วยนะครับถึงได้เป็นค้ากรรมการมาวินิจฉัยมาตัดสินเนี่ยนะอันที่หนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวจพระปาติโมถึงพร้อมได้อาจาราและโคจรความหลัเพื่อ ด, ดีงามนะครับแล้วก็โคจรนะมีปกติเห็นภายในทุ่นประมาณเล็กน้อย รมทาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบุตรทั้งหลายเกี่ยวเรื่องสี่คือถ้าไม่ปกปก้องแล้วกันนะมีความสำนึกระวังอย่างดีนะครับแล้วก็แม้แต่อะไรเล็กน้อยท่าก็เห็นเป็นโทษเป็นภัยนะไม่น่าเลยนะครับถือว่าเกี่ยวเรื่องสิ่งท่านต้องอย่างดีมากเลยนะือเป็นคณะกรรมการได้นะครับสองก็เป็นหูสูดด้วยเป็นหูสูดนะทรงสูตตาสังสมสูตานะครับทําเราได้นะครับ ภายหล่อในขั้นต้นทําการที่สุดย่อมสุนทรเสรือภูมิมัญจบริสุทิ์บริบรูร์สิ่นเชิงพร่องอัะฐพร่องนาา้เป็นชนะทำเหล่านั้นทำทั้งหลายเห็นปานั้นย่อมเป็นอันเธอสนับมากทรงไว้สั่งสมด้วยวาจะเข้าไปแพ่งด้วยใจแทงตลอดดีแล้วด้วยสิ้งทีครับสามจำปฏิโมกขึ้สองได้ดยดีโดยพิสดารนี่ไม่ธรรมดานะพิสุพิสุนีปฏิโมกต้องได้ครับจําได้หมดเลยนะ จำแนกดีส่วนดีวินิจฉัยถูกต้องโดยสูตรเดือนุเพียญยชนะนะครับพอถ้าจำปฏิโมงไม่ได้ก็ลำบากนะครับมันวินิจฉัยไม่ได้เนาะเพราะปฏิโมงเป็นแม่แบบสีข่ขาบทเนะราสี่ต้างน่ะแล้วก็สี่เป็นผู้ตั้งมั่นในภาพวินัยไม่คอนแคลนนะครับท่านิจใจตั้งมั่นนะห้านะครับเป็นผู้อ่านชี้แจงให้คู่ต่อสู้แลนะแนะ่ที่ก่อนยินยอมเข้าใจแพ่งเห็นเรื่องใสต้องมีความสามารถตรงนี้ด้วย คงเป็นผู้ฉนะเพืออย่างที่ก่อ์อันเกิดให้ขึ้นให้นะครับเจ็ดรู้อธิกรณ์นะครับว่ามีกี่อยาอะไรใช่ไหมแปรู้เหตุเกิดอธิกรณ์เกิดมาจากอะไรได้บ้าง น, นะเก้ารู้ความนะครับแห่งอธิกรณ์สิบรู้ทางระงับแห่งอธิกรณ์แล้วก็สมมุติไปนะอพระสงฆ์ก็ น, นะครับก็ใช้ปีสูตผู้ฉนะผู้สามารถสมมุตินะครับแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาพอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะไม่ให้ใครพูดแล้วนะครับ ให้แต่คณะกรรมการกี่รูปแรกแต่ส่สมุติขึ้นมานะสี่รูปหัารูปแรกแต่มีความสามารถนะครับแค่นี้แหละเป็นคนไม่ได้ฉัยถึงคุยกันเองเลยนะครับทีนี้พอท่านคุยกันระงับได้ก็ยังช่วยระงับด้วยสมมุขฐานวินยัยดูก่อนพิสุทธิท่างหลายถ้าเมื่อพิสุทธนะิ์นั้นวินิจฉัยอธิกรณนั้นอยู่ในบริษัท น, นั้นพุนิพัฒธรรมกรถึกนะครับท่านเป็นธรรมกรถึกอะไรรู้ธรรมะอะไรดีใช่ไหมแต่ว่ายังไม่แม่นเลยวินยัย เธอจำสูตรไม่ได้เลยใช่ไหนะคือพระวิเนตรปติโมกข์ที่เป็นแม่แบบนะครับท่านจําไม่ได้แต่มันไปคณะกรรมการได้ยังไงเกิดไม่รู้นะครัจจะไม่รู้ว่าท่านเป็นจําไม่ได้อนะครับท่านอาจจะเคยได้แล้วก็ลืมไปอย่างเงี้ยนะจำไม่ได้เลยครับจํำวิพังของสูตรก็ไม่ได้คือแม่บทก็ไม่ได้คาอธิบายก็ไม่ได้นะเธอไม่ได้สังเกตใจความย่อมค้างใจความตามเขาเห็นเพียรชนะนะครับถืว่ามีการจดวิสูตรหนึ่งว่า พิสูุรูปนี้นะท่านเป็นร่างมนุษย์ท้องนั้นต อ, อริสกีร์ไปยีตีแล้วก็เลยบอกพระสงฆ์ว่าโอ้ยพวกท่านเนี่ยไปตรัสรัต น, น์เข้าได้ยังไงพระพุทธองค์ไม่ได้ตออรัสรัตน์นะท้องบอกว่าไม่ควรเท่านั้นเอง <c oughs> บอกว่าพิสูรนะสมณะนะครับอะไรนะไม่ยินดีกับทองใช่ไหมไม่รักเหมือนทองเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ควรเท่านั้นนะนะท่านไม่ได้บอกว่าเป็นอาบัติอะไรเพราะความที่ท่านไม่แม่เห็นนครับ ท่านก็เลยพูดอย่างนี้นะความจริงเป็นอาบัต น, นะครับเป็นอาบัต น, นะไม่ได้นะครับเนี่ยท่านพูดอย่างนี้นะครับว่าอย่างนเ น, นี่ไงท่านบอกว่าทําไมท่านหลานจึงปรับพิสูจเหล่านี้ด้วยนะครับอาบัตเล่ากิริยาศักว่างลุ่มเว้นเท่านั้นเมื่อผ้าเจ้าตัดไว้ในสูตรอย่างนี้ว่าพิสูจเท่าไหร่ย่อเป็นผู้ลุ่มเวน้นจากการรับทองได้เงินดังนี้ไม่ใช่หรือ น, นะครับเพราะท่านไม่รู้พระวินัย ตั้งใจไมไหนไม่ได้นะครับบางทีมีในข้อสูตรใช่ไหมที่บอกว่าที่ต้องหลายคู่เว้นจากการเรื่องนี้แนททองในข้อสู่ตรดีนะครับถ้าเขาเจาะตรงนั้นนะไม่ได้มาดูพระวินัยว่าปรับอาบัตด้วยครับตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับหรือว่านะครับเมื่อพระวินทรบอกว่าเพื่อสูตทั้งหลายว่าเขาจะปรับอาบัตนะที่สุตรผู้นุ่มผ้าหรือยืมล่างนะครับนะเขาหัวนะ เมื่อพระวินัยทอนบอกแก่พิสุทธิั้งหลายผู้นุ่งผ้าเลยลุ่มล่าพอประสูติที่มาแล้วนะครับท่านก็พูดว่าเนี่ยไปปรับอ่านแ บ, บบวิสเวรนี้ทําไมนะครับในสูตรนี้เมื่อพระเจ้าตัดแต่เพียงการทําความศึกษาอย่างนี้ว่าพึทางทำความศึกษาว่าเราจะนุ่งให้เอธิบดีร้อนนะครับท่าบอกว่าให้ทําความศึกษาไม่ได้บอกว่าเป็นอาบัตินะเพราะว่าท่านไม่ได้เข้าใจคําอธิบายคือในเฉลขีแวท่านจะบอกว่าพิสุขคุณทำความศึกษาว่า เราจะต้องให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยอันนี้คือแม่บท น, นะแต่คำอธิบายเพงบอกว่าเป็นนาบทุกกฎนะครับแต่รูปนี้แม่ดูคำอธิบายไย ง, งนี่นะแต่รูปแรกเนี่ยท่านนะครับไม่ได้เลยนะสูตรก็ไม่ได้คำอธิบายก็ไม่ได้นะครับพระสงฆ์ก็จะทำยังไงก็จะตั้งอยุทตินะครับถอ น, น, นออนจากคณะกรรมการนะครับถอนหน้าขอกไปนะอื นี่ก็วินิจฉัยไปวินิจฉัยมาถ้าละงับกันได้ก็ดีถ้าละงับไม่ได้เกิดพระธรรมกัตถุที่สองนะครับจําพระปาติโมได้แต่จำคำอธิบายไม่ได้นะก็มาค้างอีก น, นะครับค้างใจความตามค้าอยางเพียรชนะนะก็สวดไล่ให้ออกในรูป <c oughs> <c oughs> คือรูปไหนที่เถ้าไม่เข้าใจจริงก็ต้องสวดขั้นออกขั้ น, น, นออกนะครับจนมาได้ที่ถูกต้องนะนะครับก็เหลือที่เหลือนะั่นมันระงับที่ก่อนกันนะครับ ถ้าสา ม, มารถรงับได้ที่ก่อนแล้วก็ชื่อว่าระงับด้วยสมมุขานวินัยนะคนที่ตรวจองค์รูปองค์รูปองคนรีปอองคก่ะท่านน่าจะเข้าใจมากกว่าเพื่อนที่ไัดองค์รูปองค์รูปองค์ออกนะจริงท่านน่าจะเป็นมากนั่นแต่ไม่แน่ถ้าเป็นคณะกรรมการด้วยก็ได้คณะกรรมการก็สา ม, มารถตรวจได้อย่างนี้นะไ ม, ม่ผิดหรอกแต่ทีนี้ท่านถาืงว่าคานออกแล้วนะยก็ยังไม่สา ม, มารถระงับที่ก่อนนั่นได้ เพราะว่าผมไม่ใช่ธรรมนราธิกรณ์ น, นี้นะครับแสดงว่าอันนั้นมากอันนันปัญหามากนะครับพู้รวมก็ตัดแต่ว่าทุกคนที่สุดน์ถึงหลายถ้าวิสูจ์เหล่านั้นไม่สามารถรังแกมรดกอ น, นั้นด้วยวิธีอีกกาวิธีได้หมายถึงว่าด้วยการคัดเลือกคณะกรรมาการมาแล้วนะครับยังไม่สามารถจะรังได้พวกเธอพึงมบอกที่กรณ์ น, นั้นแก่งโสง <c ười> คือให้โสงไปนะครับว่าท่านเจ้าค่าพวกพระเจ้าไม่สามารถรังแกมรดกอ น, นีนอนนน้ด้วยภิยอีกกาวิธี ขอสงน้่นแหละสรงมาเงาะบรที่กองนี้ม้วนส่งไปเลยดูกองที่งไหนเราอนุาานญาตให้เงาที่กองเหปานี้เรียเยบุยสิการนะครับหมายความว่าถ้าเราสมมุขคาวินัยและตั้งคณะกรรมา ก, การมันไม่ลงตัวแล้วนะนะเยบุยสิการจเป็นขั้นตอนสุดท้าย น, นะครับอย่างที่ว่ามานะก็แต่งตั้งพิสูผู้กององคุณห้านะครับเม่ลาเอียงเพราะโกกหลงกลนะแล้วก็รู้ว่ายังไงนะครับเพิง รู้จับสลากที่จับแล้วยังไม่ได้จับนะสมมุลุ่นี้นะครับแล้วทำการจับสลากไฟอย่างที่ว่านะจับสลากไฟกนะครับนี่หน้ารนะเนี่ยนี่ยเนี่ยนย่ยง่ยจะเป็นที่้ตอว่าปิ้ยของิจูนีเพรินก็ไม่ละอ๋อยังยงต้องจเป็นเพ ร, ราะว่า อาบัตของพิสุณีบางข้อของพิสุณีเป็นอาบัตไปอีกตีใช่ไหมของพระเป็นอาบัตทุกกีตึมแต่ท่านจะแปลที่บาร์นของพิสุณีนะคือของพิสุณีอาจจะเป็นอาบัตถึงขั้นนี้แต่ของพระในเรื่องนี้ก็เป็นอาบัตเหมือนกันแต่อาจจะเป็นอาบัตอีกตัวหนึ่งแลงวท่านก็จะที่บาร์เนี่ยพิสุณีละเอียดนะพอเรารู้สิขาบุคคลพิสุณีนะเราก็จะรู้คําที่บารสิขาของพิสุเกี่ยวเรื่องนี้ด้วยนี่นะเพราะฉะนั้นก็ยังจําเป็นอยู่ เพราะถ้าวิสุนี้ไม่ได้ก็ยังไม่พ้นวิสัยนะครับไม่พ้นนิสัยนะและผมจะพูดอะไรอี้ค้อนนะอสการ์ฟิสิกานุอันอันอันยากครับอ๋อนี่อันนี้ไงเกี่ยวกับกบไม่ด้วยยากกบไม่ด้วยยาเนี่ยนะเวลาสวดใช่ไหมทั้งสองฝั่งสองฝ่ายผู้องกันว่าดูความวิสุทธ์ทั้งหลายก็พวกวิสุทธิในธรรมวินัยนี้ เกิดความบากหม้่นเกิดความทะเลาะถึงความวิบ่าวันอยู่ได้ไดแบบเพละเมิ่กคิดอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอัน ม, มากทั้งที่การด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายถ้าพวกเธนพวกวิสุทธในหมู่นั้นคิดอย่างนี้ว่าพวกเราเกิดความบากหมันเกิดความทะเลาะถึงความวิบ่าวันอยู่ได้แบบเพื่อมิ่กิดอันไม่สมควรแก่สมณะเปนอันมากท่านที่การด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายถ้าพวกเราจะปรับ ก, กันด้วยอาบัตเหล่านี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงไปเความรุนแร ง, งความร้ายกาพเพความแตกกันก็ได้ดูก่อนพิจารณาทั้งหลายเราอนุญาตให้ละงับอธิกรณ์เห็นป่านี้ด้วยสีนหน้าวัฏฐานอกาศนะครับกวาดทุกรูปและหน้าที่มีเรื่องกันะมาทําการประชุมสมนะครับและพิจารผู้ชนะผู้สามารถนะตั้งยึดย ต, ต, ตินะครับยึดติดหน้าวัฏฐานากาศนะเป็นยึติของสองคนนะครับหนึ่งครั้งตั้งติไปพอตั้งยึติดสองครั้งแล้ว ก็ฝ nh nh ่ายแรกปัญงติในฝังมนตนก่อนครั้งหนึ่งนะแล้วก็ฝ่ายที่สองตั้งยันติในฝังมันตนอีกครั้งยันติก็คือเหมือนกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะบอกว่าขอสงสารโยมพระท้าวเจ้าพวกเราเกิดความบา่มาความทะเลาถึงความวิวาสอยู่ได้ว่าเพื่อเกียยมไม่สมคนรแต่สำนักเป็นธรรมะละนะเหมือนกันเลยแล้วก็บอกว่าท้าวเจ้าควรแสดงอาบาติของท่านสงสารควแสดงอะไรนะ และอาบัตของตนในถ้มกลางสองด้วยตินามสาระกะนะครับเว้นอาบัตที่มีโทษหนักเว้นอาบัตที่เนื่องด้วยขลิงหัเพื่อประโยชน์แก่ท่านนางหลายและเพื่อประโยชน์แก่ตนนะครับฝ่าแรกก็ตั้งยติสวดไปแล้วก็ฝ่ายที่สองสวดต่อนะครับอันนี้สวดสามครั้งใช่ไหมพอสวดสามครั้งนะครับก็ใ้ฝ่ายแรก่ะตั้งยติติยกรรมมาวาจานะสวอีกครั้งนะครับแล้วก็ฝ่าที่สองตั้งยติสุติยกรรมมาาจสวยอีกครั้งหนึ่งนะครับ ห้องหกเอ่อหรอบใช่ไหมนะครับเมื่อจบก็มามาจานนะอาบันก็หลุดนะครับอืมอืมอืมอืมอืมะืมอืมอืมอืมรืมอืมอืมอืมอืมอืมออมอมมอออออ ก็ยังไม่เคยเจอในขนาดนั้นนะตั้งแต่วบวชมานี่ยยังไม่เคยเจอขนาดนะส่วนใหญก็เลิกลาไปอะไรอย่างเงี้ย น, <ม>นะก <c oughs> ็คือมันไม่ได้มีฝักป่าในขนาดนั้นเห<ม>็นขนาดพูดละเมออะไรนะด่า ก, กันแล้วก็อะไรกันอย่างเี้ยนะแบบรุนแรงนะยัไม่เคยเจอขนาดนะ<ม>แต่นี้ถ้าใครให้ไว้นะเพราะว่ามันก็อาเกิดขึ้นได้กุฎิชนใช่ไหมบางทีมันมีได้นะ ก็ยังมีทีนังนั่มไว้อยู่ใช่ไหมอืมแต่ไม่ถือดีที่นั่งแล้วแต่เห็นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะนั่้ยังไงก็ปล่อยเป็นแบบ่อยเป็นตามเรื่องจำราวกัแบบรู้เกเหตุแล้วก็รู้ที่จนะแต่ก็ไม่สามารถนั่ได้กเกินเหตุแล้วไม่รู้ที่มันับแต่ก็ปลอยตามเรื่องาำราวกันอ่อะไรนั่งครับว่า เป็นกลุ่มเป็นก๊อกใช่ไหมโคบวกโคโรบอยู่ในวันเดียวการ น, นี้อ๋อไม่ดีหรอเัาต้องคุยกันนะมันต้องคุยกันได้แต่ว่าถ้าเป็นวัดที่รักษาพี่นายมนไม่มีขนาดนั่นนะที่จะดูแลขนาดแบบว่าอันั่นกับเบเลยนะั่นนะมันต้องคุยกันได้ต้องนิมนต์มาคุยเอาใครบ้างเอาแกนเอาแต่เราฝามาคุยก็มันต้องมีผู้กล้านะคมันต้องมีแล้วถ้ามาสื่อสารพี่นายเป็นลันธีอยู่นะ ในแง่ใจมันก็ต้องหวังความสมดีนะมันกต้องรู้ว่าเราเอานะ่ะมาศึกษาวินัยเพื่อประโยช์อะไรเรามาเรียนปริญาเพื่อประโยชน์อันใจนะอันใจที่เกิดความอ้ามันก็จะเกิดขึ้นนะถ้าเป็นวัดที่รักษาวินัยที่ใส่ใจในการศึกษาปฏิบัติจริงๆนะมันจะไม่ค้างคาอะไขนาดนะันน้นหรอกนหลังมันก็จะเคลียร์กันได้อย่างนี้นะนอกจากวัดที่เข้าแบบเขาไม่ได้ใส่ใจไปเลยใช่ไหมอ่อ ถ้าก็ตรงใชาไหมไปปฏิญญาต่างกันหน้าปองเนื้อรูปเนื้ออก็ไปปงอะไรเงี้นไปนะถ้าก็ต้องที่ทำมันก็ต้องไปแต่ถ้าไม่ใช้วิธีก่ด้รือยางไงก็ใช้วิธีเปปองกับผ้าที่ถูกไอ้นักถูกทองอ่ะก็ไปปองอย่างงี้ไปบวมดแล้วไม่เรียนมีอาบัตนะ เราจะแอบว่าโอ้หเนี่ยมันรู้มากแล้วเที่ยรู้มากแล้วมันก็ต้องอาบันเยอะใช่ไหมเราก็ต้องไม่ไต้องไปเรียนมันเลยมันจะได้ไม่รู้ไม่รู้เราไปทำจะได้มันมีโทษใช่ไหมเพราะคนไม่รู้ไม่ผิดไม่ใช่เรื่องไปฟังความคิดที่ไม่ถูกนะครับไม่รู้ไม่ผิดหรือความที่ไม่ถูกแล้วคนเรียนะคะเนที่ไม่ไ้ศึกษาเนี่ย่อาบัครบว่าถ้าได้ศึกษาต้องอาบหมคไม่เลยมนีแต่ว่ามันจะเกี่ยวเรื่องการอาบัญอย่างนี้ พอถ้ามันศึกษาแล้วมันจะไปทําไม่ถูกใช่ไหมแต่เช่นในเสกียวัฒน์ท่าบอกว่าถ้าไม่รู้ก็ยังไม่ต้องอธรรมเกตุกว่าเช่นนุ่งผ้าเนี่ยอนุ่นเป็นปริมณทฑลให้เรียบร้อยลอกได้ใช่ไหมถ้ายังไม่รู้ว่านุ่นเรียบร้อยเป็นยังไงท่านก็เลยนุ่มแบบไม่เรียบร้อยนะอันนั้นก็ยังไม่ต้องอธรรมแต่ว่าต้องศึกษาเองครับถ้าไม่ยอมศึกษาหมายก็ว่าท่าศึกษาแล้วนะแต่ท่านก็ยังไม่เข้าใจว่าเรียบร้อยเป็นยังไง แต่ถ้ามายอมศึกษาเลยเนี่ยแล้วก็ปล่อยเลยไปเลยอย่างงี้นะไอ้ใจที่ไม่ยอมศึกษาเขาเรียกว่าใจที่ไม่เอื้อเฟือ้อตอนนั้นๆก็เปิดโอของอาบัตได้แล้วพอไปทําเข้าก็ไม่ผลนนะก็ต้องอาบัตอยู่ดีเอาให้จบวันนี้ดีกว่าเนี่ยใช่ไหมทําโอนะต่อ น, นิดหน่อยแล้วมาดูในการหาเลยนะครับหน้าสองร้อยปสี่ตัวนี้ออาให้ฟังได้เลยเพราะว่าอธิบายหมดแล้วนะ เองผมก็มันไม่ได้อ่านมาเลยนะตรงนี้นะมาอ่านไปไหนในขาอที่ไหนปีดอกนะนะครับสองหน้าแปดสี่นะพนานาสมารถถกเทศอธิบายหมวดแห่งอธิการณ์สมถะก็ฟังกันแล้วกันนะครับคำอธิบายเีด้ไม่ว่ากันแล้วอธิบายหมวดแห่งอธิการณสมถะบรรดาอธิการณ์สมถะคําว่าสัตตากับว่าเจตเป็นการกําหนดจํานวนของอธิกรณ์อธิการณ์สมถะเหล่านั้นวิธีท <cera> ั้งหลายย่อมละบ อธิกรณ์ได้เพราะเห็นนั้นจึงชื่อว่าอธิกรณ์สมถะคาว่าอุเทสังอาคันติคือมาถึงฐานะที่ต้องสวดเพื่อถามความหมดจดนะครับในอันบัตรทั้งหลายกล่าวคืออปัปตานิกรและอันเป็นปัจจัยแก่อะไรอธิกรณสมที่เหลือนะครับเพราะว่าเป็นวิธีอรายงานอธิกรณ์ใช่ไหมนะครับอัปตานิก ร, ก, รก็ต้องใช้สมถะครับใช่ไหมครับเมื่อกี้ อาการท่กอริช้อะไรบ้างนะครับกิการต้ออบเกิดขึ้นเนี่ยสมถะข้อไหนได้สมุคฐานมีไหนไย้ไหมสมุคฐานมีไหนในคมเลยนะครับเยตินตินติญญาปติญญาต่างกันนะการคำปติญญาครับแล้วก็เมื่อกี้ไงอะไรอะไรปฏิบัตเมื่อกี้ครับตินว้ำตินน้ำวัฏฐานร่างกายโกมัจเจยะครับนี่นะ ก็รับรับอาบัตได้อาปาตาที่กรนะครับอืมครับแล้วเป็นปัจจัยแก่ที่กรสามที่เหลือนะครับเพราะว่ามันอาปาตาที่กรแหละนะมันจะเป็นปัจจัยแก่อาอธิกรสามที่เหลือก็ได้เพราะว่ามีอปปาตาที่กรนี่แหละมันก็เลยมีการทะลาะกันว่าเป็นอาบัตหรือไม่เป็นอาบัตนี่นะครับเพราะอาปาตาที่กรนี่แหละก็เลยมีการโจ่งกันาฟ้องร้องหรืออาบัตเกิดขึ้นนะ เพราะว่ามีอัปตัที่กรอเนี่ยมันก็เลยมีการลงกรรมทางศนะุลกมกรลงกรรมผู้ที่ออทผิดใช่ไหมครับเพราะนอปตัที่กรนี่ยก็เป็นปัจจัยแก๊สที่กรสาที่เดือได้อปตัดที่ก่อเนี่ยมนะัปอยาที่ก่อเนยมันจะเกิดที่ได้แต้หมอบอกว่าอัปตัดที่กนมุสนสา กุศลลมุงสามแล้วก็กุศลลหมุงสามนอันนี้เรืองนะเป็นกุศลละมูลแล้วกุศลกุศลแรกุศลนี่แหละนะอากุานี่มอันนี้กุศลลมุงสามร่างเงาแห่งวิบัติกรอยีางวก้นอยูล่างให้อาปตะที่กรมุนแห่งอาปตาที่ก่อเออเอไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นนะ ก็สมุทรฐานหกนั่นเองสมุทรฐานหกนั่นแหละเป็นมืออานีัตากที่ก่อสมุทฐานคือทางเกิดขึ้นในอาบัตนะครับนี้นะอ้าลองลองไล่ครับสมุทฐานหกอะไรบ้างกายวาจากายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตนะครับเนี่ยนะสมุทฐานหกนี่แหละเป็นมืออาชีพตากที่ก่อนที่ใช้ตอนอบัต นี่นะยังต้องเรียนถึงจะรู้ตั้งแต่ต้นนะ<ม>คือว่าอาบัตบางข้อแค่มีตายนะมาเพราะว่าถึงแม้เราไม่ได้เจตนาก็ต้องอาบัตได้นะแต่ว่าถ้าไม่มีการถูกโจทย์ น, นะไม่ใช่อตอนนั้นเขาเรียกาอาบัตตาที่ก่อนเกิดขึ้นแล้วนะอาบัตก่อนอใช่ใช่หรือว่าพราะถือว่าอาบาตเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยให้อีิกรณที่เหลืได้ ไปครับคําว่าอุปปันุปันนานังได้แก่อธิกรที่เกิดขึ้นคําว่าอธิการนานังได้แก่อธิกรณสี่คือวิวัฒนาธิกรณหนึ่งอนุวัฒาธิกรณหนึ่งอาปตาธิกรณหนึ่งกิจจาธิกรณ์หนึ่งคำ ว, ว่าสมถทายะอุปสมายะคือเพื่อจะระงับนะครับและเพื่อจะสงบอธิกรเพึงให้สมถทธเจ็ดเหล่านี้ คือเพิ่งให้สมุขหาวินัยละขึ้นละไปแล้วตีนักวิารากษวินัยในข้อนั้นมีวินิจฉัยหนังต่อไปนี้อธิกรณ์สี่จะกล่าวถึงอธิกรณ์ก่อนการทะเลาะกันของพิสุขผู้ทะเลกกาะกันด้วยเรื่องสิบแปดอย่างมีว่าสิ่งนี้เป็นธรรมสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมเป็นต้นชืวว่ววิปัสสาอธิกรณ์การโจทย์ท้วงการกล่าวหาการฟ้องของพิสุขผู้ท้วงอยู่ด้วยศีลวิบัติก็ดี สินนามบัตคือปรารชีและสงังหาริเศสนะครับเป็นศิลนมิบัตด้วยอาการยนักวิบัตนั่นคือตั้แต่บัตถุรัใจลงมาและทิฏฐิวิบัต น, นะครับคืออะไรอันตรารการทิฏฐิใช่ไหมทิฏฐิพูดถึงส่วนสุดนะครับเตื่นเชิดสตติทิฏฐิที่นี่นะครับและทิฏฐิวิบัตก็ดีนะครับหรือว่ามันจะมีข้อหนึ่งนียที่เกี่ยวกับทิฏฐิข้อไหนครับในสิทาวิปปาติโมงนะข้อไหนที่เกี่ยวกับทิฏฐินะ คิดวิสุทธิเป็นมิจฉาทิฐิแล้วก็ต้องอาบัตินะครับผ่านไหนนะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดอะไรสักอย่างนะผ้าอะไรนะครับอาริธหาท่านเจถ้าอาริธหานะครับทนี่ยนะแกมีความเห็นผิดเกิดขึ้นนะครับว่าเผ่านวินัยบัญญัติโยมทรงบัญญัติไว้นะคือประาทิสิกามที่หนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าเป็นอันตรายิ่งธรรม ทำตารางแก่สวรรค์และมรรคผลนิพานมันไม่เป็นจริงหรอกอ้าผ้าไปเสร็จเป็นถึงแปลมีอะไรเกยวกับยกผู้หญิงเน่ะมันจะไปก Thirty ั้นอะไรถ้าทาราว่านเขามีลูกมีเมียใช่ไหมเ้ายังมาลูดทําได้เลยเป็นผ้าส mmm ่งนะครับแต่ก <até S 2> ับคาคาเมียนาคามีย <sucks>. นี <joined> ่ยถ้าไปเทียบเคียงอย่างงั้นนะเนี่ยแล้วก็เทียบเคียงว่าลองดูซิไอเวลาอะไรนะเอ่าเครื่องปูร่าที่อ่อนนุ่มน่ะพระส่งผู้หญิงใช้ได้เะยใช่ไหม เตียงต่างผูกหมออะไรต่ออะไรเนี่ยที่อ่อนนุ่มก็ยังสัมผัสถูกต้องอะไรได้นะทําไมสัมผัสผู้หญิงเนไปถูกต้องไม่ได้เออแล้วไปเทียบเคียงนี้แหละถ้าเหมือนรูปเสียงหรือรูปผดผ้านะแล้วก็ไปเทียบเคียงกับโยพอในรูปเนี้ยถ้าผู้ได้เข้าใจาาท่าทนอธิธครับถ้าก็เทียบเพียงต่างของท่านนะแต่ว่าไม่เลื่องซึ้งพระวินัยนะท่านก็เลยไปตีความอย่างนั้นนี่นะก็ปดผลาโลเหมือนกันเลยสองข้ออะไรเนี่ย อนนี้ถามกฎตาภาลมเหมือนกันว่มันต่างอะไรกันแล้วมันตา่ตางต่างนะครับถ้าไม่รู้ก็เลยกลาวตู่กุฎิจ่าเลยว่าเนี่ยถ้ารู้ทั่วถึงเหมือนกุฎเจ่าต่างไปนะว่าเป็นธรรมทำอันตรายความจริงไม่ได้ทำอันตรายอะไรหรอกถึงจะเป็นมีอะไรก็แล้วแต่ก็มาได้กันมม้นส่งมั่งผลนิพพานเลยนะครับ น, นี่นะเรื่องมิฉะนี้นะครับเชื่อว่าอนุวะทางที่ก่อเกี่ยวกับการนี้ไม่เอานะขีดทิ้งไปเลย อาบัตห้ากองอันมาแล้วในมาติกานะอาบัตเจ็ดกองเนี่ยนะในวิพังทั้งสองชื่อว่าอาัตาที่กรการที่สทํากรรมทั้งสี่เมียบโลกนณกรรมเป็นต้นชื่อว่ า, ากิจจาติกรมิวาตาธิกรบด่าธิกรทั้งสี่นะาทาทั้นมิวาตาธิกรย่อมรับได้ด้วยสมถะสองคือใช่ไหมทุกวิว่าหนะ์นั่นจําไว้เลยสามุขาวินัยและเยปุยสิกา อธิกรณ์นี้เมื่อจะระ ง, งับด้วยสมมุขฐานวินัยก็ขึ้นในวัดใดเมื่อพิสุทธ์ทั้งหลายไปเพื่อระ ง, งับอธิกรณ์ในวัดนั้นหรือในที่อื่นมอบให้เป็นหน้าที่แก่สงในที่ใดในระห ว, ว่างทางอนามัยพระ่มังกีสงในที่นั้นวินิจฉัยแล้วย่อมระ ง, งับลงได้หรือเมื่อไม่อ่านระ ง, งับได้นะครับจะระงับได้ด้วยสง์ในที่นั้นได้พิสุที่จุสงถูกสมมุติขึ้นเพื่อให้วินิจฉัย ได้รูปพาเหตการ์กรรมวาจาคือการคัดเลือกนะครับนะการคัดเลือกพิสูจ์ผู้มีคุณสมบัติให้เป็นกรรมการวิิจฉัยที่กองในวันนั้นนั่นแหละตัดสินแล้วย่อมแลงก์ไปก็แลงก์วิจัยที่กอที่แลงกไปอย่างนี้มีความพร้อมเพียงสีอ่อย่างคือความพร้อมหน้าสมหนึ่งความพร้อมหน้าทำหนึ่งความพร้อมหน้าวินัยหนึ่งความพร้อมหน้าบีคคลหนึ่ ง, น, งนี้ชื่อว่าสำมุขาาวินยัยส่วน การกะสงฆ์ผู้ทำกรรมผู้จัดการวิชาธิกร น, นั้นอยู่กันพร้อมหน้าด้วยความสามัคคีแห่งสงชื่อว่าสัมฆะสมมุ ข, าขตาความพร้อมหน้าสงเรื่องที่จะต้องให้สงบระงับไปมีอยู่จริงชื่อว่าธรรมะสัมมุขตาความพร้อมหน้าธรรมการจาัด ก, การเรื่องที่จะต้องระงับนั้นโดยการที่จะเสร็จรุดล่องรูล่องไปด้วยดีชื่อว่าวิเนียสัมมุขตา ความพร้อมหน้าวินยัยก็คือทําโดยทำโดวยวินัยสัตรูสนะครถูกต้องทุกอย่างาผู้ที่ทะเลาะ ก, กันทั้งสองอซึ่งนะครับชื่อว่าเป็นศัตรูต่อกันในคู่กรณีนะมีอยู่พร้อมหน้าชื่อว่าบุคลาลักษณะความพร้อมหน้าบคนแต่สําหรับวิปทาที่กรที่ระงบปรุดุภัย ก, กากรรมาวาจานี้จะไม่มีความพร้อมหน้าสงเพราะว่า เป็นการคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมาใช่ไหมมันก็เลยถือว่าไม่พร้อมน่าส่งแล้วเราในคณะกรรมการอธิการที่ลเลื่อนไปอย่างนี้แหละชื่อว่าลเลื่อไปด้วยสมมุตานวินัยอย่างเดียวถ้าว่าวิบัอาธาิการยังไม่ลเลื่อนไปด้วยวิธีการดังกล่าว น, นี้ใช่ไหมขันพิสูจน์ที่ได้รับสมมุตดรรรมาามมิด้วยภายกาคัมมาวาจามอบอาธิการนั้นให้แก่ส่งอีกด้วยคําว่าพวกกระผมไม่สามารถจัดการให้สาเร็จลงได้ จากนั้นไปสงสมมุติพิสุผู้ประกอบเป็นองค์ห้าให้เป็นผู้แจกสลาพิสุนั้นแจกสลาโดยสามอย่างคือซ่องก็ปกปิดใช่ไหมมีอะไรชีมากปกปิดมีลัชีมากก็เปิดเผยมีรสภามากก็กระเส้นบอกที่หงเพราะในบริษัทที่ประชุมกันนั้นมีพิสุเป็นธรรมวาทีมากพวกธรรมวาทีเหล่านั้นลงความเห็นอย่างไร อธิการที่ระงับไปด้วยอาการอย่างนั้นชื่อว่าแล้วไปด้วยสำมุขามวินัยนะครับและเยปุยสิกานนรนบรรดาทั้งสองอย่างนั้นสมุขามวินยัยมีในดังกล่าวแล้วแหลกส่วนการจัด ก, การกรรมคือการแจกสลากเพื่อให้หมู่พิสุที่ได้เป็นธรรมวาทีให้มากกว่าพิสุธรรมวาทีนี้ชื่อว่าเยปุยสิการวิปัสสนาที่กรนย่อมละก็ไปด้วยสมถะสองอย่างดังกล่าวมาอย่างนี้แหลย อ น, าาอนุอนวัติทิกรอนุวัติทิกรนะการโจทย์ฟ้องร้องเกี้นะครับย่อนะครับไปด้วยสมถะสี่คือสมุขวินัยสติวินัยอรมุนหาวินัยตัศปะปิยสิการ อ, อนุวัตาธิกรเมื่อจะสมบุกไปด้วยสมมุขวินัยนั่นแหละพิสุไดเป็นผู้โจทย์และโจทย์พิสุดไดเแื่อมริทอนฟังคําของพิสุเหล่านั้นแล้วต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะนี่ครับถ้าเห็นว่าไม่มีอาบัติแม้อย่างเดียว เพีงให้พิสูจน์ทั้งสองขอเขอมาโทษกันละกันเนะพราะเข้าเจียผิดนี้ไปจบให้ขอเขอมาโทษกันถ้าเห็นว่ามีอาบัติเพิงมวินิจฉัยว่าเป็นอาบัตเพราะการกระทาอย่างนี้อธิการจึงสงบไปลักษณะแห่งสมุคหามินยัยในอนุวาทาทัติธิการนนะั้นมีในดังกล่าวแล้วแท้แต่ในเวลาในพิสูจน์ที่เป็นขี่นาศเป็นผ้าละหาันถูกกล่าวหาด้วยศีลวิบัติไม่มีมูลเหตุ ด้วยปลาเชิกมีมูลเลยนะครับหรือว่าสังขัยเสดไมีมูลนี่นะจึงมาขอสติวินัยส่งให้สติวินัยด้วยยติจตุถังกรรมวาจาในเวลาใดเวลานะอนุวัติที่กรชื่อวยล้างเงาไปด้วยสำขามวินัยและสติวินัยแต่ครั้งส่งให้สติวินัยแล้วพิสุรูปใดรูปหนึ่งจะมากล่าวหาพิสุที่เป็นพระขีนาสมนั้นไม่ได้อีกนะครับถึงมากล่าวหาก็จะโดนทพระสงฆ์ว่านะ การกล่าวหาแล้วไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรนะเขาจะบอกว่างพระสุรูปนี้เป็นพระอาหารนะแล้วก็สงฆ์ก็ให้สติวินัยแล้วท่านจะมาว่าอะไรไม่ได้เ้าบอกว่านะย่ยอมเป็นย่อมถึงความเป็นพ้วนทีุ่ทธ่์ท้งหลายพึงรูกนลานว่าพระสุรุนี้เป็นพระขีนาศด้าสติวินัยแล้วใครจะเชื่อถือท้อยคาของท่านนะครับ ก็จะโดนว่าเวลาในพิสูจนบ้าคราวที่เป็นบ้านได้ไปเพื่อเสียหายที่ไม่ใช่ของสมณะถึงท่านเศรษฐเมทุนนะอะถูกผู้พิสูจโจทย์อยู่ว่าท่านผู้มีอายุจนเรื่องถึงอาบันนี้ถึงตอนจะกล่าวหาถึงตอนจะกล่าวว่าผู้มีอายุเราทําอย่างนั้นในเวลาเป็นบ้าเราระลึกไม่ได้หรอกครับพิสูจนเหล่านั้นก็ยังโจทย์อยู่นั่นเอง เธอจึงขออมุญหาวินัยเพื่อจะไม่ต้องถูกโจดอีกและสงก็ได้ให้อมุญหาวินัยแก่เธอด้วยยติจุตกรรมาวาจาเวลานั้นอนุวาตาธิกรชื่อว่าสมุกไปด้วยสมมุขาวินัยและอมุญหาวินัยสมมุขาวินัยนี้ต้องมีคู่ไปด้วยนะเพราะถือว่าไปขอท่ามกลางสงทํากรรมท่างการสง ก, กสงัะนนะั้นก็หลังจากสงให้อมุญหาวินัยแล้วพิสุรุดายรูปหนึ่งไม่มีสิทธิทจะไปกราบหาเธอ ด้วยอาบัต ท, ที่ต้องในเวลาเป็นบ้าส่วนเวลาใดที่สูจชั่วช้าประพฤติเสียหายถูกโจยนยด้วยอาบัตประราชิกหรืออาบัต ท, ที่เฉียบประราชิกอาบัต ท, ทุกกดแล้วก็อาบัตถุนั้นใจนะครับหากถ้าเป็นปรราชิกข้อหนึ่งใช่ไหมการเสด็มีถุนเป็นประราชิกนะครับอาบัตเฉียบประราชิกคือทุกกดความพยายามมุ่งต้นเยเสดเมถุนนะในการก่อจุดลูกคำอะไรไปก่อนนะ พราะนั้นเป็นทุกข์กอดนะครับแต่พอทำถึงที่สุดว่าเป็นปราชิตแต่ในปราชิตสี่ขอสามข้อที่เหลือใช่ไหมอารมณ์ที่เฉียบปราชิตคือถุนละใจเหมนเช่นร่างซ้ำใช่ไหมครับอ่าพอไปจับต้องใช่ไหมซ้ำเหมือรซ้ำแล้วมาจับต้องต้องบัทุกกอดทาให้ไหวนะต้องบัตรถุนละใจพอเคยจัดหากุ๊บต้องปราชิตนะครับเพราะฉะนั้นถุนละใจใกล้กับปราทิ่ที่จุดในการร่างซ้ำนะถุนละใจก็คืว่าเฉียบกับปราชิตนะครับ ไม่ในการข้ามรุก็เหมือนกันใช่ไหมครับอะไรนะตอนที่เช่นขุดลุมพางนะครับขุดลุมพางเพื่อใคนตกไปตายตอนที่ขุดก็เป็นทุกกดเนี้ยพราะนี่ใช่ไหมเอาว่าตอนตอนนั้นตอนที่คนตกลงไปไครับเป็นทุกกดพอเขาเกิดวิทนาขึ้นมานะต้องอบัตถุนใจจพอเขาตายต้องอาบัตถ์ปาราชีมเหมือนกันแล้วตุนัจจก็ใกล้ปาราชี ทีนี้นะครับเกี่ยวกับอุลตริที่ไม่มีจริงนะครับอุตริที่ไม่มีจริงยังไงถุนละใจใกล้ปลาชิดยังไงอุลตริทไปแล้วถ้าเขารู้ความในขณะนั้นเป็นปราชิดเลยถ้าเขาไม่รู้ความต้องบาถุนละใจเพราะว่าถุนละใจก็เฉียดกับปราชิดถ้าจะเชื่อไม่เชื่อเป็นประมาณนะอารู้ไม่รู้เป็นเกณฑ์ คาลิเใช่ัน <c oughs> เพราะว่าความประสงค์มันต่างกันอันที่จับต้องธรรมดาม่เกี่ยวกับเศษเมทุนใช่ไหมอันนั้นจับต้องด้วยความกำหนับในการเค้าขึ้นกายนะถ้ามีความประสงค์มากแค่นั้นนะกำหนับในการเค้าขึ้นกายการจับต้องสัมผั์รูปคำนะกำหนับจริงๆในแค่นั้นนะต้องมันคาิเซนะันแต่ว่าไอ้ที่ไปกอดจุไรก่อนที่เสศษเมทูลน่ะ ไอเจรนาต้องการจะเสร็จเมทุลความตั้ในการเสร็จเมทุลนั่นเจรนาต่างกันอาบัรบก็เลยเป็นทุกกดต่างกันนะครับสือว่าเกิดว่าท่านกระะอายขึ้นมานะไม่ทำไม่ถึดที่สุดนะครับกระะอายอย่างลงสู่และชีธรรมนะเล่นะครับก็ตรงแค่อารบทุกกดก้อนหนุนนะครับไม่น้องไปหยุดปริวาสไม่ต้องอะไรพวาอารบแค่ทุกกดจริง ใช่ใช่ใช่จับใจไม่เอาแล้วใช่ไม่เอาแล้วใช่ปองอบทุกกดก็หลุดเลยอือนี้ถัไปนะครับถูกผู้พิสูจน์โจทยอยู่ว่าไอ้อะไรว่างเ้ยงไหนัีนั่นประพฤติเสียหายนะครับถูกโจทย์อยู่ด้วยบัตรปล่าเช่นเนี้ยนะบัตรทุกกดแลวถึงหน้ใจเอาคาพูดอื่นมากดเกินเสีย เพราะเป็นผู้หนาด้วยบานะครับสงเข้าใจว่าถ้าวิสูนี้มีมูลยังไม่ขาดก็คือยังไม่ต้องปราชชีพเป็นพางอยู่เธอเประพฤติชอบแล้วจะได้โอสารนาคือการเรียกข้อมูลจากสงนะครับเรียกข้อมูอนะแต่ถ้ามีมูลขาดแล้วขาดากความเป็นพระเธอก็จะถึงความชิบหายเสียเองจึงลงตัด ส, สักปาปิยาสิกะกรรมด้วยยติจตระกมว า, าจาแก่เธอ เวลานั้นอ น, อนุวัตาธิกรชื่วอวระงัะะะงบไปด้วยสมมุขวินัยและตัศน์ปาปิยาสิกาครับอนุวัตาธิกรชื่อวระงับไปด้วยสมมติานี่อย่างด้วยประการันนี้อาปิตาธิกรอาปิตาธิกรย่อมสงบไปด้วยสมถติสามคืออาบัตินั่นเนี่ยสมุขวินัยครับปฏิญญาตากาลณะติดนวัตถานกะอาปตาธิกรนั้นย่อมจะระงับไปด้วยสมมุขวินัยอย่างเดียว แต่เวลาใดพิสุทธ์แสดงอาบัตดเบากับพิสุทธิ์รวมหนึ่งหรือกับสองกับคณะโนะดยในดังกล่าวแล้วในการที่บาลีสิกยาไปตีสิกขาบทเวลานั้นอาปตาทิกรชื่อว่าลังไปด้วยสมุขาวินัยและปฏิญญาต่างคณะนะครับถ้าพงอมาบถ้ำการสองนะก็เชื่อมีสมุขาวินัยแล้วก็ปฏิญญาต่างคณะด้วยนะครับแต่ในบรรดาทั้งสองอย่าง เฉพาะนะครับสัมมุขานะอันนี้เปลี่ยนนะครับสัมมุขาวิในนะภาวะที่วิสุแสดงอาบัตและผู้รับแสดงอยู่พร้อมหน้าชื่อว่าบุคลาสัมมุขาตาพร้อมหน้าบุคคลคือคงโปคงโปกคงแสดงนะอันนี้ที่เหลือมีในดังกล่าไปแล้วแหละในเวลาที่แสดงอาบัตแก็บวิสุรูปหนึ่งหรือแก็บคณะวิสุสองหรือสามรูปนะครับความพร้อมหน้าสงย่อมไม่มี เพราะว่าแสดงแก่คนท่านนั่นนะคับก็ในอันปฏิกร น, นี้การยอมรับใดว่าท่านบูญเจริญกระผมต้องอาบัตินี้นี่ปฏิญญาครับผู้รับกล่าวว่าท่านเห็นหรือผู้แสดงยอมรับว่าเห็นครับ อ, อการยอมรับนั้นดังนี้ว่า <c oughs> ท่านคึงสํารวมต่อไปชื่อว่าปฏิญญาตา ก, กางณะการขอปริวาเป็นต้นในเมื่อต้องบัตสันธาติเสษ ชื่อว่าปฏิญญาปฏิญญาโอ้นะเวลาขอปริวาใช่ไหมไปขอแล้วก็ต้องบอกว่าท่านต้องอภิธานดิเศธใช่ไหมครับเราไปขออ น, นันต์ชื่อเป็นการปฏิญญาแล้วแล้วสองก็จะสวดให้ปริวาท่านนะครับการให้ปริวาเป็นต้นแหละชื่อว่าปฏิญญาตักรนะทําตามปฏิญญานะก็พิสุทธะล้องกันสองพูดนะครับ ได้ไปพูดเสียหายผิดจักสมณธรรมเป็นอันมากครั้งเกิดความอาอีเห็นโทษในการแสดงอาบตัตตอกันว่าถ้าพวกเราจะแสดงอาบัตเหล่านี้อาปตาิี่ก่อนนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อความอยากช้าร้ายการดังนี้แล้วจึงทําตินาวัฏานกะกกรรมในเวลาใดเวลานั้นอาปตาทีกรชื่อว่าแะงเอาไปด้วยสมุขามวินัยและตินาวัฏานลกามวินยัย ด้วยว่าพิสุที่อยู่ในหาถบาต้องมีจำนวนเท่าใดในกรรมนั้นไม่กระทำทิฏฐาวิกรรมคือการทำความเห็นแย้งอย่างนี้ว่าน่าไม่ควรนะครับไม่ทำความเห็นแย้งเป็นเกณฑ์นะแม้นอนหลับเสียถ้าว่าแม้นอนหลับก็ดีเข้าสมาบัติก็ดีนะนะครับแล้วก็หลุดหมดนะอาบัตทั้งปวงของพิสุเหล่านั้น ถาเราตั้งแต่มนทรมีมาตอนผสมบทเลยนะครับอาบัตอะไรก็แล้วแต่นะนครับตั้งแต่บัวมาแรกเลยนะเว้นอาบัตที่มีอาบัตเว้นโทษที่อยาบนะครับอาบัตประลาชิลินคาทิเสศและอาบัตที่เกี่ยวเนื่องกับคลิษาเสียได้ชื่อว่านะครับหลุดออกไปอาปัตาทิกรย่อนและงับไปด้วยสมถะสามนภนามาชนิกิจจารทิกร เกจารถิกรย่อและงําด้วยสมถะข้อเดียวคือสัมผัสวินัยเท่านั้นเนื่อพอเกียรติสังกรรมต้องใส่ความพร้อมหน้าส่งเดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะเห็นนั้นอริยกรทั้งสี่ อ, อย่างนี้ชื่อว่าระงับไปด้วยสมถะเจ็ดด้วยเห็นนั้นเมื่อจบเมื้อน่พรจ้างจึงตันไว้ว่าห ป, ปันนุปันนานังอธิกรานานังเฟตินวัารโกนี้เป็นเพียงการวิใช้โดยย่อ นที่เราน่าสมถานี้ส่วนรายละเอียดที่มีพระาเจ้าตันไปแล้วในสมถะคันตะกะถึงการวิจารณ์ที่ก่อนนั้นข้าพเจ้ากล่าวไว้ในค้อเรียนตอกถารพระวินัยชื่อว่าสมถะภาษาจิการนะครับพระวินัยปิดกเล่มที่แปดนะครับให้ไปดูได้นะเปิดสารบัญไปนะครับหัวข้อว่าสมถะคันตกะนะครับนั่นนะอตจารย์จัดที่บ้านมาดูพิศนาเลย ข้อว่าตัดทายสมันเตปุจชามิกียรติธรรบริสุทธาความว่าข้าพเจ้าขอถามว่าในทีน่รณะสมถะทั้งเจ็ประเภทนี้ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรืออธิกรที่จะต้องจัด ก, การด้วยสมถะไม่มีแก่ท่านหรือความเป็นผู้บริสุทธิ์จากอาบัติทั้งปวงชื่อว่าเป็นอักพิสุจนั้นถามแล้วด้วยอาการอย่างนี้คําว่าองค์ทิฏถังขอยศมันโตนิทานังเป็นต้นเป็นคํำลงท้าย ในบรรดาคำเหล่านั้นควาว่าเอกกรรมแปลว่าสิกขาบนประมาณเท่านี้คําว่าสุตาคตังได้แก่สิกขาบทที่มาในพระสูตรคือในพระปาติโมคํควาว่าสุตาปริยาปันนางได้แก่ที่นับหนึ่งในปาติโมนั่นแหละคำ ว, ว่าอนัมธรรมมาสังเทสังขจติความว่าถึงการที่ต้องสวดเป็นโวตกรรมทุกๆกึ่งเดือนสิบสี่สิบห้าคำนะควาว่าสมะเคหิแปลว่า มีความพร้อมเพียงกันทางกายคาว่าสมมัมโมทมาในหีแปลว่าเมื่อยินดีอยู่เพราะมียร์ทยาศัยเดียวกันอันเกิดจากความสามัคคีทางจิตคําว่าอวิวาทมาในหีแปลว่าธรรมดาลเรื่องที่จะทะเลาะ ก, กันสิบแปดเรื่องเมื่อไม่ทะเลาะ ก, กันอยู่ด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเราเชื่อไม่วิบากกันในทีนี้คําว่าสิกิตพัง แปลว่าท่าังหลายเมื่อไม่รู้แล้เมื่อศีรษาบุตนั้นนั้นเพิ่งทําวันทีศี ร, รสิกขรษให้ถึงพร้อมสมบูรณ์ก็คำใดที่ไม่ได้กาวในระหว่างระหว่างให้สิีรษะบุตทั้งหมดคําทั้งหมดมีเนื้อความชัดเจนแล้วที่ทํามาดอธิบายแต่ละข้อว่ามาครับเพราะว่านุ้ความชัดเจนแล้วหรือเพราะได้กล่าวในศีรษกบุตรก่อนอนีกอย่างหนึก็คือเพราะาท่านอธิบายแล้วในข้อก่อนนะข้อหลังก็จะมาอธิบายซ้ำอีก แล้วก็มีและพอมีเนื้อความชัดเจนแล้วแนจบการที่บาที่การณนสมบทุเทศการที่บาอัตกระถาพิภูปาติโมกในคำปีกังขาเิตรณีอันแปลอตกรถาแห่งพระปาติโมกจบแล้วด้วยประการชนิจบฉันอยากให้ฟังเลยแต่ว่า เราต้องแยกให้ออกก่อนว่าเป็นอธิกรณประเภทไหนใแล้วถึงจะไปดึงวิธีระงับอธิกรม์ใช่ใช่ใช่ใช่ใไ่ใช่ต้องรู้ก่อนแหละอันนี้ถ้าเรากันเรื่องทํารู้ไม่แนหรือว่าโจกันเรื่องอาบัตเงียนะรก็ต้องรู้ก่อน